ทำดีก็ไปบวกดีอยู่ที่ใจทำดีก็ไปฉขงลงดีอยู่ที่ใจทำไปทำดีก็ไปต่ออายุความดีอยู่ที่ใจทำชั่วก็ไปต่ออายุความชั่วอยู่ที่ใจจงเป็นผู้ทำใจให้บันเทิงในการและชั่วทำดีเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย จงทําใจให้มีอิสระทางดีอย่าไปเป็นผู้มีอิสระทางชั่วจงเป็นผู้ใจถึงในทางทําดีอย่าเป็นผู้ไปถึงในใจถึงในทางทําชั่วนอกจากใจก็ไม่มีอันใดจะทําดีให้ใจนอกจากใจก็ไม่มีอันใดจะทําชั่วให้ใจใจเท่านั้นทําชั่วให้ใจใจเท่านั้นทําดีให้ใจทําดีบ่อยใจก็สูงขึ้นบ่ ทำชั่วบ่อยใจก็ต่าลงมองใจสูงขึ้นจนถึงพระเนรพนถ้า ท, ทํดีถ้าทาชั่วมากก็ใจต่าลงจนถึงนรกมหาวิคีอีกด้วยเหตุนั้นจึงไม่สงสัยในการทาอาบายยังทุขกขเคือเป็นมนุษยบัติเป็นฌานบัตรเป็นพรมมบัติ เป็นนทานนิบัติด้วยชาวเวตาบายมุกก็เป็นมนุษย์สมมัติก็เป็นหวนรค์สมมัติก็เป็นคนสมบับิก็เป็นนิทานสมบัติด้วยพระพุทธศาสนาพัฒนาไปในตัวทั้งวัฒถุนิยมและอุดมกติด้วยเวตาบายยมุกก็พัฒนาไป ทางมัตถุนิยมและอุดมคติไปในตัวถ้าไม่แม่นก็ทำลายมนุษย์ยี่บุ่นทำายวัตถุนิยมไปในตัวอีกด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่เราจะรู้จักทั้งนั้นเราไม่เป็นผู้บัญญัติผิดบัญญัติผิดไหมความว่า สิ่งที่คิดหายไปบัญญัติเรเป็นทางเจริญมันก็ไม่ถูกสิ่งที่เจริญไปบัญญัติเรเป็นทางคีดหายมันก็ไม่ถูกอวยมุกเป็นเหตุแห่งคิดหายเว้นก็เป็นเหตุแห่งความเจริญธัมมัญญตาเป็นผู้รู้จักนี่งนี่จากว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์อชันโยตานเป็นผู้รู้จักว่าจูกเป็นผลแห่งเหตุอันนี้ทุกข์เป็นเหตุนี่ ทุกเป็นผลเห่ยเหตอันนี้ทุกเป็นผลเนีเเ่ยเหตุเว้นอวัยวะทุกเป็นผลเนี่ยเหตที่ไม่เว้นอวัยวะมันพลิกกันเหมือนฝ่ามือและหลังมือตรงกันข้าวเหมือนหลับตาและลืมตามันเห็นก็เพราะลืมตามันไม่เห็นก็เพราะหลับถูกไหมปัญญาของหมืนกัน มันไม่มีปัญญาก็เพราะเอาความโง่ามาเป็นสรนางก้ามิเอาความหลงมาเป็นสางานก้ามิที่มันฉลาดตอนไหนมันต้องเอาสติปัญญาตอนนั้นมาเป็นความฉลาดความฉลาดเท่านั้นจะชนะความโง่ได้เป็นตอนๆไปคำใดใครก่อก็จิตใจเป็นผู้ก่อขึ้น เย็นฟ้าอากาศมัาในมาก่อนเลยไม่เลือกได้ไม่เลิกได้ขอเมากายสวายชีวิตต่อพระพุทธธรรมประสงค์อยู่ทุกเมื่อขอเป็นทาสเป็นข้าเป็นทาสพระพุทธธรรมประสงค์อยู่ทุกเมื่อขอคข้ามาโทษต่อพระธรรมสงฆ์อยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณเมากายสวายชีวิตต่อพระสุทธธรประสงค์อยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณ ชาเข้าพระสูตรพระเนปาลเลยเอาเป็นที่พึ่งทีลึกที่ปฏิปฏิ ป, ปูชากําจัดสภาวทุกข์ทั้งปวงอยู่ทุกเมืองในปานประมาณแลยมันขอมดเรื่องตรงนั้นเจ็บป่วยมาก็รักษาโรคอายามารักษาหายก็หายไม่หายก็ยอมตายต่อพระพุทธพระธรรมพระสงนั่นอยากว่าถึงพระพุทธพระธรมพระสงค์อย่างไม่งอนแง่งครางแคลน าชาติจิตลมฟานเข้าไปสู่สวรรค์และพร ม, มโลกตลอดถึงวันนีฟานเป็นปริโยสารคำสอนใดๆในใจธุมธทาสเป็นมองขึ้นคำสอนพระพุทธศาสนาหมดเพราะคำสอนพระพุทธศาสนาสอนโลกทุกทนหน้าแล้วเนื้อโลกใดๆทั้งปวง ทำเป็นโลกบาลคุ้มครองโรคสองอย่าง ค, คนาระอายต่บวาร ค, ควรากลัวตบบารเท่า น, นั้นจะคุ้มครองโรคได้ถ้าโรคมันมีอย่างอายต่อว่าไม่มีน ค, นความกลัวต่บบวารแล้วมันก็ไปร่วงละเมิดชิ้นห้าถ้าชาวโลกมีชิ้นห้าบริบูรณ์หมดแล้วทหารก็ไม่มีตำรวจก็ไม่มีโซ่ตรวนก็ไม่มีเรือนจำก็ไม่มีขายของก็ไม่ต้องคว้าเวียนยามก็ไม่ต้องมี นอนก็ไม่สะรุงระะ้งผวาพระไม่มีเรียนอยู่รอบข้างเรียนนั้นคาสอนพระพุทธศาสนาจึงเหนือคำสอนใดทั้งปวงในโลกถ้าไม่มีอำอาจต่อบา่าไม่มีความกลัวต่อบา่าไม่มีชี้ห้าแล้วกฎหมายจะตั้งไว้เท่าใดมันก็ไม่อยู่หูข้อธรามไม่นำคำหนึ่งก็หมดเที่พึ่งพิงอินอาศัย ทำความชั่วในที่แจ้งไม่ได้ก็ไปทําในที่รับเหตุนั้นจึงไม่ควรดูหมิ่นพระพุทธศาสนาเลยพระพุทธเจ้าจะมา ก, กี่่พระองค์ขอดามก็มาสอนอันเดียวกันไม่ลบล่างพอรอบอกันเลยเพราะดีเด่นพอแล้วสอนมนุษย์วิบัิ สวันสมบัติพรมสมบัตินิพพานสมบัติไปในตัวด้วยจึงทรงพนาวาสัตถ์าเทวะมนุษย์สาตานังเป็นผู้สอนของเทวดาละมนุษย์ทั้งหลายไม่จนมุงด้วยจึงยืนยันว่าสัตธ์ถังสัพพยัญชนังเทวราริคุณ น, นังผรอนผู้สุดทางพรหมจารย์ยังประกาเศเสสิโมทิบูลทั้งอัตถะ ชางพยันชนะแล้วไม่ต้องสงสัยเลยต่อไปนี้ให้พรซะนะด้ยวยเดชพรพุทธศาสนะอันทงพระคุณข้าไม่มีประมาณและก็ทรงมอยู่ทุกการด้วยเมื่อขึ้นอยู่ก็เพรู้และไม่รู้เมื่อขึ้นอยู่ก็พูดเชื่อและไม่เชื่อและก็เหนือโลกอยู่ทุกยุคทุกสมัยด้วย เมื่อเป็นดังนี้พวกเราทั้งหลายที่มาในที่นีก้ก็ดีที่ไม่ใน้มาในที่นีก้ก็ดีจงประสบแตความสุขความเจริญในบวรพุทธศาสนาของพระสมัยพระพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบโดยด่วนโดยไม่เหลือทุกชนหน้าอยู่โดยทุกเมื่อถื อ, อเพ่งในกรรมฐานที่พิ็าหนาสมาธิตั้งมั่นในกรรมฐานที่เป ที่ภาวนาปัญญารับรู้ในกรรมฐานที่ภาวนาก็งลงศีลสมาธิปัญญาก็อยู่ด้วยกันศีนห้าถ้าเราไม่ล่วงละเมิดมันก็เป็นเชีอกห้าทีวถ้าชวัตตมไม่ใช่ได้อยากล่วละเมิดศินห้าไม่ใช่ได้อยา ก, กเล่นสบายงุกไม่เช่ได้ยาจะถือศาสตร์อรอื่นไม่เช่ได้อยาจะ ถ, ถืออยู่ยงคงกระพัน ไม่เสีดยดายถ้าถือระเบียดีไม่เสียดายอยากจะจองเวรท่านผู้ใดโกรธอยู่แต่ไม่ถึงกับจองเวรมึงเถอะกูจะทํามึงอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีแลงพระโสดิวันไม่จองเวรท่านผู้ใด ห, หรือพระโสดิวันโกรธอยู่แต่ไม่จองเวรถ้าเคยทําผิดเข้าถือมาแต่ชาติขอคอยแล้วกันไปสักถ้าเข้ามาขอไม่คอยแล้วกันไปสักเน่นภูมิพระโวสดิวัไไนวไม่จองเวรท่านผู้ใด จะภาวนาต่อวันตลอดคืนจะอดอาหารคุ้มผมคุ้มขนหล่นกอดต้อถ้าเสีดายอยากร่วงละเมิดเสียหน้าเสียดายอยากเล่นอบายมุกอยู่มันก็ไม่ใช่พระโสดาบันเสียดายอยากจะถือศาสดาอื่นอยู่มันก็ไม่ใช่พระโสันพระโสดาบันไม่เสียดายอยร่วงละเมิดเสียหน้าไม่เสียดายอยากร่วงเอาเมิดอบายมุกไม่เสียดายอยากจะถือศาสดาอื่นจิ่งไหนที่ไม่เสียดายสิ่งนั้น ก็ไม่หนักใจไม่ใช่ดาอยากลงลุยหลุมฐานเพลิงมันหนักใจไหมมันก็ไม่หนักไม่ใช่ดาอยากเอาน้ำลายชิบวานทิ้งแล้วมากินมันก็ไม่หนักใจอันนี้ก็เหมือนกันจะบวชล้านพรรษาก็ตามถ้าเสด็ยดาอยากลงน้ำมันชิ้นห้าเสียดาอยากลงอบายมุกอยู่มันก็ไม่ใช่พระโสดามันมันยังเป็นโลกีอยู่ท่านพอแล้ว ผู้ที่ไม่เชื่อใจอย่างร่วงละเชิดศหก็เรียกว่าภาวนาอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนคืนคอศีรานุสติไม่เช่อใจอย่างร่วงละเมิดศีลเข้าใจนะทีนี้เออเอาอะไรอืมสุขโลกโคลงสร้างพบสร้างชาต โรคของพระสวัดาดิบนลไม่โรคถึงอยากล่วงละเมิดศสี้ยนห้าไม่ใช่ไดยอยากล่วงละเมิดกาเมศวิชาจารย์หรือตลอดถึงข้าศน์รักพระพุทธศามพูดปลดดื่มสุราไม่ใช่ได้ล่วงละเมิดเล ย, เ ร, ยเรียกว่าโรคจับยาโกรธจับยาหลงยับเหล่าดาบยาพระสวัสดบิบาพ้นไปแล้วต่อจากนั้นก็จะถึงสักคาคามีอนาคามี รุษหน้าไปจนถึงพระอาหารหัน์ไม่ถอยหลังไม่เรียบซ้ายเลี้ยวขวาจะเดินชา้าหรือเร็วก็ไปถึงพระอหัน์ไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งแต่ไม่ถอยหลังเลยถ้าไม่อย่างนั้นก็เป็นลกูกีไม่แน่นอนอ่ะว่าไง สามารถจะรู้ได้เหมือนเราทํางานเราทํางานขนาดไหนเราก็รู้ขนาดนั้นเราจิ้บเกือขนาดไหนเราก็รู้จักเค็มหรือไม่เค็มน้ําจาร์ก็เหมืนกันเพราะเราเป็นลิ้นที่รู้จักรถไม่ใช่ทอนไม่รู้จักรถแกงตักปนยังคําวันก็ไม่รู้จักเรายินดีในพุทธศาสนาเพียงไหนเราก็รู้เราอยู่ เราสงสัยในความวัดศีระวัดอย่างไรเราก็รู้เราอยู่เราเสดายอยากข้าศักดิ์ไหมเราเสดายอยากคลักซับไหมเร า, า, ยยาเสีย ด, ด, ดายอยากพูดผิดในคํามไหมเราเสียดายอยากพูดแท้ไหมเราเสียดายจะดื่มสุราเมรัยไหมแล้วก็ตอบเราได้ง่ายๆไม่ต้องหาพยานเพราะพยานเจตนาไม่ได้เข้าใจนะอืม ทำไมเราจึงไม่ใช่ได้ร่วงอยากร่วงล้วมื่เพราะเราเห็นว่ามันเป็นเวรเป็นภัยจริงๆเห็นชัดตัดความงสงสัยเรียกว่าปัญญาเรียกว่าได้ดวงตาปัญญาเห็นดำส่วนพระอนาคามีไม่ใช่ได้อยากจะมีราคะไม่เสียด้อยากจะมีโทุศักด์ เห็นว่าราคะโทสะนี่เป็นไฟเผาจริงๆเผาจิตเผาใจไม่ถือว่ามีคุณมาเจอปนเลยมีแต่โทษล้วนๆสิ่งไหนที่เห็นว่าเป็นแต่โทษล้วนๆสิ่งนั้นก็ไม่เสียดายบังละเมือสิ่งไหนที่เห็นว่ามันพอใช้พอสอยอยู่สิ่งนั้นมันก็เล่นไม่ได้ถูกไหมเอาล่าสุดไป กามาวิตกไม่มีในผู้ใดพยาบาทม่ตกกามไม่ตกความส่งสั่งสมกามาวิตกความตรีในทางกามไม่มีในผู้ใดความส่งเสริมในกามอารมณ์ไม่มีในผู้ใดพยาบาทม่ตกความส่งเสริมในทางพยาบาทไม่มีในผู้ใดวิหิงสาให้ตกความส่งเสริมในการเบียดเบียนของจิตของใจของท่านผู้ใดเมื่นี้ท่านผู้นั้นถึงพระอานาคามีแล้ว ถ้าไป็อย่างนั้นก็ยังไม่ถึงส่วนพระโสดาบันมีความกำหนัดในกรรมมารมแต่ว่ากำหนัดสามีและภรรยาของตนไม่สามารถร่วงละเมิดพอใจแต่สามีและภรรยาของตนพระโสดาบันไม่พอใจร่วงละเมิดท่านผู้อื่นที่เขาขวงแหนไม่ใช่ได้ยอยากจะฆ่าสัตว์ด้วยมดตัวแดงแมลงตัวเล็กก็ไม่ใช่ได้ไม่ใช่ได้อยก รักทรับด้วยเมื่อเสดาอยากพูดมุสาเมื่อเสดาอยากจะดื่มสุราถ้าเอามาระปนกับยาก็ไม่ให้มีกลิ่นมีสีไปเอาอะไรสิอืมวัชระธมโมทะโผลเป็นทุกเป็นทุกปะ ออาขลกคางเหินจากศีลธรรมโบราณกันหอาโขลกคางเหินจากศีนธรรมเน่ฝ่าพ้นชน้ำชาของวพ่อดีช่วงกชวงปวดแรงก็แรงปวดลาบากมีจยานอึดหนามงจสุดใจอะไอยเ้ยโอยเพชรทั้งหนามีว่าจะตักหนามมาตุดพูดภาษาผสม พ่โทษทั้งพ่้งพ่อหายใจ่ถาพูดกระทำประสงค์ใจถ้าคุดกระทำประสงเราเป่าอกาสได้สรุปในงวามงีทุนผมเก็บเอาผมง่ามทุนอิรอบหนึ่งทำงั้นมบริการัก็เป็นมงินสิ้งข่าของข้าหลกมัดมาจะได้เหร ถึงนูู่ประยัดก็ประยัข้าเจ้พี่มันซืาห้าของพด้ายเลยแย่พี่รอดเดีท่านั่งท่านนึ้จะด้ลายมัมีราคาท่านนั่งท่านี้เลยมันนั่งสือสวัสดีราคาท่านบ่าวท่นี้วก็ไปจากการสององแล้วมันเป็นอย่างจับใจรอด เพวนักซ erm ื้อน no, right. ักท no. ํำม no, ันม no. nope. ันกลับมาเรียวิสัยอ่ะนะมันช่ำตีตัวเอกมันหลายไปถึงพวกค้ายมันก็วุ้ยคูจีไปที่ใหม่เป็นนังซื้ออื่นๆเนาะนักซื้อนักตีตีนักซื้อปัจจยไปดกบนรับพวกคล้ายของมันวุ้น้นตสูงต่ว่าเราก็เห็นหน้าคล้ายนั่นเออนักผูวชเสียพูดสะพานอีกนะ่านี้อย่งนี้อย่งนี้ มันร้องมี้จ้าคายหรอหลอกมาคายดูอันเนี้ยโอ้อายุมแจกชิบว่าละฮะน่าทึ่ขนาดอายุเพิหน่อยก็เอา เต้า่าคนทางบวชก่อนเห่าเข้าไปสางโลกด้วยแล้วผู้บนเนาะัดบวรดนกว่มันเป็นมมันเป็นสารมีวัดมันเป็นข้มีวัมันเป็นข้ามมีวับ เพาะว่าเอาเอายามาว่าเสียดายอยานอนระ ง, งับเสีหาว่าเสดายอยากถือสาวผู้อื่นว่เสียดายอยากถือโย้ย่งข้องกับพันว่าเสียดา ย, ยาเริงเรศว่เสียดายอยากจะขากลัเครื่งองผหาร ค่าขายพนุษย์ค่าขายสัตเป็นเลยนะสัตวเท ต, ตัวข้าวพอเป็นอาหารค่าขายละเมอค่าขายยาพิษการค่าขายห้าอย่างนี้พระสวัสดิ์บมวศัยได้จับลงละเมิดเลยขนินวศัยได้จกบลงละเมิดมันกับวัดนักใจเลยหรือยังเจ้าวศัยได้จับลงละเมิดเพราะนั้นเป็นข้างชิบหาย เม่ได้หลวงตาเห็นทับแล้วอาวัยนุกภูริจรุวงมันเกินมันือ่รวิบัตอันนี้ถมเถานักสัตถ์เถาปางกอนท่าละมาน โซเสองสารจะฝังพัทมเท่าขมูเฮ้าตัวเชียสงสาจะฝังพัทมเท่าพบครบแล้วบ อ, อ บ, บ, อ, อ, บ, บ อ, อ่าอานงะรของพระนี่พวกนี้ออกไปจากพวกนึงนีง่ตัวนี้หนึ่งโรกดำไปโดยอันนี้สังเห็นทุกคณะจีย น, นังก็เห็นโลกหลอ ก, น, ลอลอก น, ลนึงพอลกดำโทุกไม่หลอกนี่ สุขของเครือข่ายในโยซียาสุขเกิดแจกความเมตับสุขเกิดแจกจ่ายซับบออยู่โวกสุขเกิดแจกความเมตเป็นหนี้เป็นสินสุขกเกิดแจกทํางานที่ปราศจากทจาโทษถึงอย่างนั่นก็จะแต่อําอนาจอันนี้จังเกิดขึ้นแป ล, ปล้ายแป็นพวกและแตกสลายไม่มีอันใดตังได้หน้อยหนึ่งพร า, าย่ามนี่จะทลายหักมูลเ พ, พ่ผ้ามาเกิดขึ้นมาได้อันนั้นจังตื่นตียวมีแต่ไรรองดิวรองห้องบรรจัยสังขานทั้งร้านที่กันมด เห็นความเกิดความรับเห็นอนิจจังคณะกิลมังเห็นโลกรอบเมืองระก็ต้องทุกข์ใช้โลกหนกเป็นเป็นประโยชน์อนิจจังสิ่งไรที่วที่ยังสิ้นนั่งกับเป็นทุกข์สิ้นไรที่เป็นทุกข์สิ้นนั่งกับไม่ในอานาจราชณาครผู้ใดจะหาความสุขในโลกมันไม่เห็นมันไม่เจอมันไม่เจอมันไม่เจอมันไม่พรมันไม่ปับนที่ัตวหจึงเบือนายความหลงจากของสรางเรืวางความหลงจากของไป เนเขาวสูเเ็นทาซ่ามูเฮาควมโงอยังต่ากว่าคว่ำหลงงูก็เลยขมอะไรขำเมื่อคว่ำฉลาดเมือความหลงฝรั่งมูเฮาขำอะไรอันนี้ความหลงเครื่องคิมันตบพาอมันลาสมบูาอะไรนะมันก็บอกว่ก็ใช่หันขหันกับหลังหันเวียาวิ่งมันมันบอกก็พะันคนฝืนมันคนมาไยนะมันคนว่ยยนดีในโรคทางฝูง เมื่อุยันดีนันรกทั้งปวงก็จะเปิดปรกตูพราใหนผ่านบุยืนดีนั่นเกิดนั่นแก่นด่นเจ็บนั่นตายนั่นรบนั่นโกรดนั่นหลงนั่นได้ในโรคร้วนอนิจจ์ได้ในโรบร้วนทุกขังได้ในรบรวนอนัตตาอย่าสงสัยเลยนะทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยอดีคืออะไรคือกองทุกข์ที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือกองทุกข์ทียังไมมาถึง ปัจจุบันคือกองทุกเทกําลังเป็นอยูเอาปัจจุบันเป็นพยานของเขามหายใจเขาออกแบบเมื่อเบื่อโรกทั้งหลายฮัดแหตเบื่อโรกทั้งหายหหเพื่อเ ย, ย็นดีในโรกทั้งปวงก็ถ้ากลับไปเย็นดีในหลุมฐานพื้นเธอทั้งหลายอยากเย็นดีในโรกทั้งปวงเนยพระพุ ท, ยยทนะธเจ้าจงทําความเบื่อหน่อยซักเมื่อหน่ายของลมของตัว น, นั่นเองที่เคยหลงอยู่ว่าเป็นของเที่ยง หลงนั ง, งหุงห่มอยู่ได้รอบว่าเป็นของเที่ยงนังหุ่มอยู่ได้รอบว่าเป็นของสุขนังหุ่มอยู่ได้รอบว่าเป็นของตัวตนนันงหุ่มอยู่โดยรอบว่าเป็นของสวยของงามขันว่าหลงสิง ม, ม น, นีห้ากกระามทะเลหลงไปห้าหลงอันม น, นีหรอครับฮะไหนเกาะว่ า, นนาไหนเกะไหนยูไหนยู นี่ไหมคมู่สามวันแล้วมม่มีแก่กล้ามานี้มันกบอยู่ละผู้ห้าสามวัมมนไม่มีชั้นกลางเขากัดิมน่านใจเย็ู้สามวัน้ไม่มีแก่กล้กามาเด็กอแล้วยคือว่าไป สามแล้วมีแก่กล่ามันอยากวายูเลยเบื่อว่ะคื น, นจริงสัตาหาีแปลว่ามีอายุเจ็ดวันถ้าเกินจุงหนึ่งก็ถ้าฉันห่ดนี่ตอนกลางคืนก็พักอยู่ข้างบน แล้ตอนกาวันโคนลงมาก ล, ลงว่านมากพิการนี่ใช่ไหมท่านได้เห็นเอกสาราาานี่หรือยัง เ, เ, เดี๋ยนะเอ ก, กเกษียนเป็นกรรมและผลของกรรมที่ทาแล้วจบกเกษียนมยเป็นกรรมและผลของกรรมที่ทามีและทั่ว กรรพวกเราทั้งหลายไปคนแคกเข้าสู่พระนิพานกรรมดีก็ไปฉลองดีอยู่ที่ใจกรรมชั่วก็ไปฉลองชั่วยอยู่ที่ใจกรรมดีก็ต่ออายุของความดีอยู่ที่ใจกรรมชั่วก็ต่ออายุความชั่วยอยู่ที่ใจข้อนี้สําสคัญมากถ้ากรรมและผลของกรรมัม่มีก็มาเชื่อพระพุทธศาสนากรรมของผลและกรรมและผลของกรรมมีอยู่ นันเหมือนคดีดาคดีแดงในโรงนาสาลอันนั้นมันจบเสียณเป็นอันนี้จบไม่เป็นถ้าทําดีแล้วก็ตามไปจนชาติเข้าสูา่ปฏิพพานถ้าทาชั่วเขาตามไปจนชาติเข้าสูา่พระนานนี่สาคัญมาก <c oughs> กัมมุนาวัติโรโกจับลอบรอบเดินไปตามกรรมพวกเกิดมามีอายุ สั้นแต่ชาติก่อนเคยเบียดเบียนสัตว์ผู้กเกิดมามีอายุยาวกว็ริงแต่ว่าเคยเบียดเบียนสัตว์ก็ต้องมีโรคบ้ากทุกที่ไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยไม่มีโรคด้วยไม่เบียดเบียนสัตว์จะอายุยืนแต่ก็ไม่เคยเบียดเบียนสัตว์ใ่ชาติก่อน ก็เกิดตระกูลสูงก็เคยเคารพรบหน้อมครูบาอาจารย์ตลอดท่างพู้ที่มีคุณวุฒิโทวิยวุโทไม่ตีตนเสมอท่านเป็นคนอ่อนโยนมีเคารพขารขาว่ะผู้นั้นเกิดตระกูลสูงเช่นสมเด็จพระบรมราชาเป็นต้นเกิดตระกูลสูงผู้ที่เกิดตระกูลต่ำก็ตรงกันข้าว ผู้เกิดมาในพิวพัน์วันนักขาวแต่กนก่อนชาติก่อนเราที่กทานก็ชอบแต่สิ่งที่ขาวๆผู้พิษดำครับก็ตรงกันข้ามผู้เกิดมาฟังอะไรเข้าใจชัดฟังง่ายจำได้ง่ายาเพราะเสยชาติก่อนเคอสนทนาธรรมะกับครูบาอาจารย์และวิชาต่างๆ เกิดมาก็เลยเป็นคนจำได้ฟังได้และเป็นคนเรียนได้ง่ายคนผู้ที่เกิดมามีอะไรเขาเปรเียดเบียนค่อแต่จะรับศกุกหอนี้หมดราอแต่ชาติก่อนเคยล่วงแล้วเมิดอธาทิมยนาธามพวกเกิดมาเขาสอบ ร่วงละเมิดไม่กล้ามีสมิธชาจานในระหว่างภรรยาหรือในระหว่างสามีหรือในระหวาา่หหวางลูกๆห ล, ล, ลานๆนัน้นเหรียเพราะแต่ชาติก่อนไม่เคารพกา้ามีสมิธชาจารย์เพราะเคยร่วงละเมิดเขาพวกเกิดมาเคยถูกแต่คนต้มตุน๋นฉันพูดอะไรที่เป็นคําจริง ก็ไม่มีผู้ใดจะเชื่อฟังและมักถูกต้งตุนบ่อยๆก็พระเจชาติก่อนง่วงและเมิดอมุสาวาดชอบพูดเท็จผู้ที่เกิดมาเป็นบาปเสียจดิลิตมนุษย์เียบาปของการดุจราเตชาก่อนและให้ทาน ทั้งมนุษย์สมบัติทั้งสวรรค์สมบัติทั้งพรหมสมบัติทั้งนิพพานสมบัติไปในตัวด้วยพัฒนามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัตินิพพานสมบัติไปในตัวด้วยพัฒนาทั้งวัตถุนิยมและอุดมคติไปในตัวด้วยแทดบายยมุกประเภทก็พุทธศาสนาไม่ส่งเสริม พระพุทธเจ้าทุทกๆพระองค์ก็าไปส่งสริมบอกมุกะมุกขะแปลว่าชิพายอยู่ซึ่งหน้าซึ่งฝากหรือเป็นฝากเป็นทางแห่งชิพายแปลว่าอาบายามุกทุกประเภทเดิหนหน้ามอเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูกันเล่นเลการพนันกบคนชั่วเป็นมิจเกียค้าดทําการงานในทางที่ชอบหรือหน้ามามีโทษหเสียทรัพย์ก่ อ, อการทเลาะ ว, ว่าเกิดโรคต้องตเตรียมไม่รู้จักอายทอนกาลังกัญญา เที่ยงกลางคืนมีโทษของช่วยรักษาโรคเมือช่วยรักษาทรัพย์สมบัติเป็นเทว่เรงของคนทั้งหลายมักถูกใส่ความด้วความลำบากมากเชื่อยู่กันเล่นมีโทษตามวัตถุที่ไปเดนงลำที่ไหนก็ไปที่นั้นดีชี้ตีฝ่าที่ไหนก็ไปที่นั้นเพลงที่ไหนก็ไปที่นั้นเสภาที่ไหนก็ไปที่นั้นเธอเธอที่ไหนก็ไปที่นั้น เขคนชั่วเป็นไมมีโทษตามบุคคลเท่าพวกผมนับให้เป็นนักเลงหญิงนําให้เป็นนักเลงชุรานําให้เป็นนักเลงเล่นการพนันนับให้คนเป็นคนลวงเขาเดือดของปลอมนําให้เป็นคนโครงเขาสิน่านัาให้เป็นวะน้อยเกียรข้ามทำงานงานมีโทษหกไม่เคยอ้างว่าหนาวนักแล้วมาทำงานงานไม่เคยอ้างว่าร้อนนักแล้วมาทำงานงานไม่เคยอ้างว่ายังเช่าอยู่แล้วมาทำงานงานไม่เคยอ้างว่าเวลาเย็นแล้วแล้วมาทําการงาน ไม่ให้อ้างว่านื้หายนักเรามาทางานไม่ให้อ้างว่าเหียวนักรมาทางานผู้หวังเจะโดยโรคกระซับจงเว้นเหตุเครื่องสิบหน่อยหกเก่าีเสีอยอาไหนิมกทุกประเภทมันเป็นมนุษย์ยบัตร ด, ด้วยเป็นสวรรค์ิบัตร ด, ด้วยเป็นพรหมิบัตร ด, ด้วยเป็นนิทานิบัตรอยู่ในตัวด้วยถ้าเว้นขอเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัตินิทานสมบัติอยู่ในตัวด้วยการปกครองโลก พระพุทธศาสนาก็บัญญาขาดตัวแล้วพระพุทธเจ้าองค์นไหนๆจะมาขี่ล้านพระองค์ก็ตามจะมาเป็นยุกๆนั่นล้านพยีจึงจะมาก็าเหมือนกันก็ามายืนยันคําย่อทำเช่นโลกกระบานคู่ครองโลกท้องอย่างคนละอายตระ่ากรองกลัวตระบาเกานั้นจะคุ้มครองโลกได้ถ้าโลกมียางอายตรว่ากร ม, มีความกลัวต่ะบาแน้น กัดไม้กัดหมูกัดปักกัทพวกก็ตั้งไม่อยู่หมูครังทำแม่นำคำหนึก็หมดทชื้อเพื่อนผีอื่นอาศัยถ้างอช่วและขี้งยมาได้ก็ไปทำในที่ททรัดถ้ามันมียางอายตบปากเนี่ก็ไปร่ว ง, งระเบิดศีลห้อาอ้าถ้าชาวโลกทุกท่านน่านับแต่รู้เรียนสาไปไม่น่าแต่้าบ้าบเสียสติคิดมนุษย์ซะนับแต่นับแต่อายุเจ็ดปีไป มีสินห้าโมเลกุลชาโลกก็ไม่อุดรังหว่างเพราะเรอายตาา่ำบมดความกลัวตาา่ำหมดเท่านั้นจะเพิ่มครามรได้เพียงสินห้าเท่านั้นก็ไม่ต้องเนี่ยตั้งคนไม้มากถ้าโลกทั้งหลายมีสินห้าโมเลกุลอยู่ที่ดวงใจเต่ลท่านแต่ละคนนะแล้วเขาร็เนี่ยตำรวจก็ไม่ต้องมีทหารก็ไม่ต้องมี มรียนจำก็ไม่ตรงนี้โชติโรกันก็ไม่ต้องมีขายของก็ไม่ต้องเฝ้ากุญแจก็ไม่ต้องเวียนานก็ไม่ต้องนอนก็ไม่สะดุ้งเพราะมันมีเวรอยู่รอบข้างพุทธศาสตร์จึงทรงพระนามากกว่าหลวงวิถูเป็นผู้รู้แจ้งโลกปุริสาธรรมศาสตรสิทธิศรัทธาเทอนุสานเป็นผู้สอนของเทวดานมนุษย์ทั้งหลายชีบ่บางชาติเขาพูดว่า มาให้พระเป็นการบ้านการเมืองถ้าพระไม่สอนบ้านสอนเมืองจะไปสอนถีตัวไห น, นล่ะนี่มันสําคัญมากทีนี้สําหรับคารว่าพระบรมศาสดาขอสอนหนึ่งด้วยกายกรรมคือทําอะไรอะไรประกอบในเนตรสองโดยวชีกรรมคือพูดอะไรอะไรประกอบด้วยเนตร สามด้วยมโนกรรมคือคิดอะไรอะไรประกอบกันเมีตาอี่ด้วยความเป็นผู้ม่ปิดประตูคือห้าแม่เข้าบ้านเรือนห้าด้วยห้ามิสัทธานสมนามัควารรมที่จุดสา ม, มัญเดได้รับความเจริญแล้วยอมอนุเคราะห์อุบาตกอุบาสิกาด้วยสถานห้าหนึ่งห้ามกระทำความเพื่อสองแนะนําให้ตั้งในความดีสามอนุเคราะห์ด้วยน้าใจอัน สี่ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังถ้าทําสิ่งที่ฟังแล้วห้าแฉมหกบอกทางสอนให้คําสอนพระพุทธศาสนาผู้ขาดรองขาดพระพุทธเจ้าองค์ไหนๆก็มาสอนอันเดียวกันไม่ลบล่างพอรบอ ก, กันเลยแต่พวกชาวโลกของเราตั้งกฏหมายใบบัวก็ได้เงินที่ไห น, นมาตั้งชาวโลกของเรา หมู่มากก็ลากไปหมู่มากลากไปทางพระพุทธศาสนาคือหมู่ที่มีศีลมีธรรมก็สามารถลากไปรด้หมูไม่มีศีลไม่มีธรรมก็ไม่ให้มาออกเสียงพระพุทธศาสนาพูดถึงพระโสดาบัณไเมื่อเสียใจอย่าล่วงละเมิดศีลห้า ไม่เสียดายอยากจะล่วงอาวุมนุษย์ไม่เสียดายอยากจะถืออยู่ยงคงกระพันไม่เสียดายอยากจะถือโลดดือยา่างดีไม่เสียดายอยากจะข้าขายมระอาหารฆ่าขายมนุษย์ข่าขายสัตว์เป็นแมวสัตวที่เราฆ่าเพื่อเป็นอาหารฆ่าขายละเมาฆ่าขายยาพิษการฆ่าขายห้ายอย่าง น, นี้เป็นข้อห้ามของชาวโลกมาให้ประกอบสมบัติของชาวโลกข่าประการ หนึ่งประกอบเพื่อศรัทธาสองมเอเชื่อพระพุทธธรรมพระสงค์สองไม่ถือมองคลตื่นข่าวคือเชื่อกรรมไม่เชื่อมองคุณไม่แสวงหาเถษบุญทอพระพุทธศาสนาบำเพ็ญบุญแต่ในพุทธศาสนาชาวโลกต้องตั้งอยู่สมบัติท่าประกาและเว้นจากวิบัติท่าประการซึ่งตรงกันข้ามมนุษย์สมบัติพระพุทธศาสนาะสอนแล้ว สวรรสมบัติพระพุทธศาสนาสอนแล้วพรมสมบัติพระพุทธศาสนาสอนแล้วนิพพานสมบัติพระพุทธศาสนาสอนเนี่ยเป็นขั้นตอนไปไม่ได้รับกลั่นเลยในระหว่างพัวกับเมียก็สอนแต่พระพุทธศาเนนผ่านมาแล้วหนึ่งด้อยย่องนับถือว่าเป็นภรรยาอีกที่ข้าอีแม่กะดีไม่ได้พูดสองด้อยไม่ไดูดหมิ่น พอดมินต่างๆ่าอันเดียวกันสามด้อยไม่ประพฤติร่วงใจนั้นนี่จึงความกว้างเช่นแต่เล่นสาวเป็นต้นสี่ก็มอบความเป็นใหญ่ให้ถ้าด้อยหกเครื่องแต่งตัวพระนยาได้รับบำรุงเนีน่หแล้วย่ยอมอนุเคราะห์สามีโดยสถานห้าหนึ่งจากการงานดีสองสองเคราะห์คนข้างเคียงของผัวดีสามไม่ประพฤติร่วงใจผัวสี่รักษาทรัพย์เกียผัวหามาได้ไว ข้อห้าขยาไม่เกียการในจิตการทั้งวงนักนักมีเจตเนื้อไม่มีกระดุกเลยพวรมศั า, ร า, าราสอนสอนในระหว่างวิดามานดาก็สอนวิดามานดาปฏิบัติกับลูกหนึ่งห้ามไม่กระทำความช่วสองแนะนำให้ตั้งอยู่โดยความดีสามให้ศึกษาศิลปวิทยาสี่หาปัญญาและสามีที่สมควรให้ ห้ามอบทรัพย์ให้ในสมัยชวนบุตรเิดาหนึ่งท่านในเรื่องมาแล้วเรื่องท่านสอสองทํากิจธุระของท่านสามดำรงวงะกูณสี่ระพฤฒอน่าเป็นคนควรรับทรัพย์มรดกแต่ก่อนมันอนรดกมันใช่ตัวทอหางยาวรอยชดาอีกซะรัว่วแต่ทุกวันเนี่ยเป็นมรดกใช่ไหม <c oughs> ห้าเมื่อท่านร่วงลับไปแล้วทำบุญโลทิศให้ท่านน ในระหว่างเบากับนายพระบรมศาสดาก็าสอนสอนเ่าหนึ่งลุกขึ้นทําการงานก่อนนอนสองเลิกการงานทีหลังนายสามคือออกถือออกจากของที่นายให้อยา่าไปรับสอบรักเสียมไปทําการงานให้ดีขึ้นหนึ่งลุกขึ้นทําการงานก่อนนอนสองเลิกการงานทีหลังนาย สมถือเอาแต่ของทนายให้ทีทำการงานให้ดีขึ้นเนมักง่ายห้านำคุณของนายไปเสร็จในที่นั่งนั้นสำหรับบ่าวสำหรับคนใช่สำหรับนายทีหนึ่งจัดการงานให้ทำตามสมควรแจกคำเนต์สองด้วยให้อาหารและรา ง, งานอน สามด้วยพยาบาลในเวลาเจ็บไข้สีก็แจกของเมล็ดแปลกประหาดให้กินห้าด้วยปล่อยในสมัยวันคิดวันเสาร์หรือวันสุกหรือวันสำคัญที่เจ้าโลกสมมติถ้าบากับงานทำกันอย่างนี้แล้วก็รักกันไม่มีการาเดือดเดกันแม่ภรรยาและสามี็เหมือนกันอันนี้สอนโลกโตๆส่วนพิสุษสามเดนผ่านมาแล้ว ในระหว่างคบเม็ดพระบรมศาสดาก็สอนเม็ดแค่สี่จำพวกหนึ่งเม็ดเปีอุปก า, าระสองเม็ดกล่วมจุกกล่วมทุกสามเม็ดแหนประโยชน์สี่เม็ดมีความลักใคร่เม็ดสี่จำพวกนี้เป็นเม็ดแค่ควรครบหนึ่งเม็ดเปีอุปก า, าระมีลักษณะสี่หนึ่งป้องกันเพื่อนทูประมาทแล้วสองป้ 2, องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อนทูพระมาทแล้ว สามเ ม, มื่อไม่ไพ่เอาเป็นเที่งความรักได้สีเมื่อมีทุระช่วยออกซัพ์ให้เกลื่นขวาที่ออกปาก ส, ามมสขของมีร่วมสุดร่วมทุกเมยลักษณะสีหนึ่งขยายความรับของตนแก่เพื่นสองปิดความรับของเพื่อนมาให้เสียงพายสามไม่ละทิ้งในยามมีบัตรสี่ในชีวิตก็อาสรัแทนได้สามเลือกประโยชน์เมยลักษณะสหนึ่งห้ามตตาทำความชั่ว สองให้ตั่งนมีวความดีสามอนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอันงามสี่บอกทางสอนให้มิแท้สื่อจำพวกหนึ่งมิตรเกเรอุปการัุกพูดไปถึงไหนมาทีเนี้ยมินียประโยชน์ใช่ไหมนี่อุปการมิตรบัวสุขรกรุรก ม็ดนัประโยชน์สี่มิดมีความรักใครมีมรักษณะสียหนึ่งทุกกระทุกด้วยสองสุกประสุกด้วยสามโต้เสียงคนจะพูดติเตือนเพื่อนเสียรับรองคนพูดสนเสริญเพื่อนมิดสี่จำพวกนี้เป็นม็ดแท้ควรครบม็ดปฏิรูปคือคนจำ่มิดไม่ควรครบเนื่องจากบรมศาสตร์หนึ่งคนปอกรอกสองคนเดือดจะพูดสามคนพอวกระจบสี่คนคัดชักชวนในทางคิบหาย คนปลอกรอกมีรักษาสี่หนึ่งคิดเอาแต่ได้ใจมีสองเสียให้เพื่อนน้อยพอคิดออกของเพื่อนมากสามเมื่อมีภัยแจ่ตัวจึงรับํำจิตเทาไรช่วยเพื่อนเพราะอยากขอตังค์สีคอบเพื่อนเพราะเห็นกับแจกประโยชน์ของตัวสองคนหัวไระจบมีรักษาสี่หนึ่งจะทำดีก็นมกจะรู้ คนสองคนดีแต่พูดมีลักษณะสี่พูแล้วนะสามคนหัวประจบมีลักษณะสี่ยิ่งจะทําดีมันก็คอยตามสองจะทําชั่วมันก็คอยตามสามต่อหน้ามันก็ว่าสารเสื่อสี่รับหลังมันก็ตั้งเงินดาสี่คนชักชวนในทางคิดหายมีลักษณะสี่ชักชวนหรื่มหน้ามอชักชวนเที่ยวกลางคืนชักชวนให้่มอมอในการเล่นชักชวนเล่นการพนันมิตรสี่จำพวกนี่ไม่ใช่คน ไม่ใช่เม็ดเป็นแต่คนเทียมมมตดไม่ควรกะเนื้อธรบรมศาสนาสอนหมดนะแต่วพวกเราเอาโซลามาเทิดนะมันก็ว่าจริงจีนถูกไหมถ้าชาวโลกปฏิบัติอย่างนี้นะสงขามก็ไม่มีถ้ามีชิ้นห่าละสงขามก็ไม่มี ค่าขายพระบรมศาสตราบอกแล้วหนึ่งค่าขายเครื่งป่ะหารสองค่าขายมนุษย์สามค่าขายสัตว์เป็นไรเนี่ยสัตว์ที่ตัวฆ่าตัวป็นาหาสี่ค่าขายนำเมาห้าค่าขายยาพิษการค่าขายห้าอย่างนี้ชาวโลกยาไปประกอบเนอะพระบรมศาสตราสมบัติของชาวโลกข้าะการประกอบด้วยอศึกษาเชื่อในพระพุทธธรรมประสงค์มีศีลบที่สุดคือศีลหน้า ไม่ถือมงคลตื่นข่าวคือเชื่อคำไม่เชื่อมงคลไม่แสวงหาเศษบุญนอกพร ะ, นะ พ, ระพุทธศาสนาบำเพ็ญบุญแต่ในพะุทธศาสนาชาวโลกต้องตั้งอยู่ในสมมาระมาตและไม่จากหัวขะมาตนะเช่งตรงกันข้ามถ้าชาวโลกถือศาสนาพุทธหมดมีชี้ห้าบริวบุญเสมอกันหมดกฎหมายก็มาตั้งมากให้มันทองยากตั้งแต่กฎหมายงบประมาณ หรือกฎหมายภาธิอาก่อพ่อแล้วใช่ไหมตำรวจก็ไม่ต้องมีทหารก็ไม่ต้องมีนอนก็ไม่สะดววเพราพระไม่มีเวรอยู่รอบข้าอา้าวค่าฟันกันมาจากคิดค่าบทข้าไหนข้อปรนา ท, ทบาดลบลาค่าฟันกันก็มาจากข้อปณะนททัทบาดรักของกฎหมายที่เกี่ยวกับรักของมาจากอะไรก็ามาจากอธิ น, นาทาน สา ม, มีสวิตชาอาจารย์ตัดไฟต้นลมตัดดมต้นไฟใช่ไหมถ้ายินดีแต่สามีของตนและภรรยาของตนโรคเอิดจะมาจากประตูใดล่าถูกไหมเพราะมันมีขอบเขตใช่ไห ม, <c oughs> ไมก็หกพกลมก็ไม่มียิงกันตายในระหว่างขี้เมาก็ไม่มีใช่ไหมผู้ที่มาพูดจับค เป็นจริงกับจริงเป็นเท็จไมมีเห็นก็ว่าเห็นไม่เห็นก็ว่าไม่เห็นก็ไม่เสียดายไม่ก็ไม่เสียดาเยดาเวลาทั้งผู้พูดทั้งผู้ฟังด้วยชุราเมไรัยไม่ได้ดื่มในโลกข้าวที่เราเอามาทําสุราเมระยะักษ์จังหวัดหนึ่งจะมดกี่ตันประเทศหนึ่งจะมดกี่ตันกินแล้วมันมีประโยชน์อะไรบ้างคือา มันก็มีแต่ทำคนให้เป็นบ้าใช่ไ้ยน้่นว้าเขาทำให้คนพิว่า ก, กินใครไม่เป็นพิว่าเขาไม่กินใช่ไหมถ้ากินแล้วก็เป็นบ้าใช่ไหมไม่ไม่เป็นน้อยก็ต้องเป็นมากใช่ั้ยดีไม่ดีก็คุยกันอยู่มึงอย่าไปพูดปูพูดกูพูด ด, ด, ด, ดีกว่ามึงเดี๋ยฆ่ากันเลยที่นั่นแล้วปูเห็นเนะ่อยู่ขร า, าวาทีนี่วิธีนะครับอธิกร พระพุทธศาสนาผอสอนอธิกรเมสีความเถียงกันว่าสีนี้เป็นธรรมเป็นวินยัยสีนี้ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินยัยเรียกวิวาธาทิกรสองความโกรธกันด้วยอาบัตินั้ น, น, นเรียกอนุนวาธาทิกรสามอาบัตทั้งปวงเรียกอาปตตาทิกรสี่กิจที่สงสตร้องทำเนียกกิจจาทิกร อธิกรณ์นี้เกิดขึ้นอธิกรณ์นี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วทรงไม่ทีบระงับสีจะทําให้เกิดนานาจังหวะนานานิการมิวาชาธิกรณ์ยังมีอีกเกิดขึ้นอัถรรพเพตกับวัตถุมีทั้งแปดอย่างสามมารีแก้ป้อยเข้าวคู่นี่เป็นธํานี่ไม่เป็นธรรมนี่คุณนี่เป็นวินัยนี่ไม่เป็นวินัยนี่คุณนี่พระศาสดเจ้าทรงมั่นยัดไว้นี่พระศาสดเจ้าไม่ทรงมั่นยไว้นี่คุณ นี่ภาษาโคตรเจ้าทรงมาพุ้นมานี่ภาษาโครเจ้ามาได้ทรงมาพุ้นมาแล้วกัดเขียงกันเป็นนิวาธาตะกอเมื่อเขียงกันเป็นนิวาธาตะกอแล้วก็เกิดอนุวาธาตะกอนมาโจกกันด้วยอาบัตนาาเนื้ออนุวาธาตะกอนแล้วก็เกิดเป็นอวัตต่างต่างแล้วก็อาปาตาติกอนแล้วก็นีนิกะหะการข่มยังไงนี่เป็นอาบัตเรานี่เป็นอาบัตินี่เป็นอาบัตมีส่วนเหลือนี่เป็นอาบัตหส่วนเหลือไม่ได้นี่เป็นอาบัตหยาบคายนี่เป็นอาบัตไม่อยาบคาย อธิกรณ์นี่เมื่อเกิดขึ้นแล้วสงไม่รีบระงับสีจะทําให้เกิดนานาสังวรนานาอุกกาศอธิกรณ์นี่เกิดเมื่อเกิดขึ้นแล้วพุทธบริษัทไม่รีบระงับสีไม่ได้ว่าเพราะบอกว่าสงไมารีบระงับสีจะทําให้เกิดนานาสังวรนานากกาศวิธีระครับอธิกรณ์ทั้งสีนั้นในที่พ่อน้าสงในที่พ่อแมาบุคคลในที่พ่อมหแมาวัตถุในที่พ่อแม่ธรรมแยกสมคัญอะไรนี่วิธีระงับแบบหนึ่ง วิธีระงับแบบหนึ่งอีกก่อนที่สงสักการถ้าสมมติแก่พระทหารว่าเป็นผู้มีสติเต็มที่เพื่อจะไปใครสวดท่านด้วยอาบัดเรียบสติวินัยยกกระท้อนทํายังไงอธิกรณ์เนี่ยจาเลยเป็นพระทหารเป็นผู้มีสติไฟบูรไม่เป็นฐานะของจําเลยที่จะทําการระเมิดดังที่โูกล่าวหาสวดกรรมวาจาจารไว้ให้สติวินัยแล้วยกฟ้องของโจเสียอันนี้มีน ความที่สองจะประกาศให้สมุดแก่พระพิสุผู้หายเป็นบ้าแล้วเพื่อจะไม่ใครโจทท่านด้วยอาบัตที่เธอทำในเวลาเป็นบ้าก็อยกอามูละนะครับวิธี น, บบนี้นี่นี่วิธีนะครับอธิกรณ์แบบหนึ่งพิสุเป็นบ้าเสียสติไปทําผิดอาบัตเวลาเธอหายเป็นบ้าแล้วอย่าไปโจทย์เธอถ้าเธอหายเป็นบ้าแล้วเธอไปทําผิดอีกใหจจม่จึงโจทย์สวดทมูลนะครับวิธีงี้ไว้ซักความปรับ อาบัตตามปฏิญญาของจำเลยผู้รับเป็นสัตว์เรียกปฏิญญาจารณะอันนี้ระงรับแบบหนึ่งความจัดสินเอาตามคำของคนมากเป็นประมาณเรียกเยพุติกาอันนี้ระงรับแบบหนึ่งระงรับแบบนี้เป็นอาบัตเล็กน้อยเช่นโจทย์กันว่าโจย์กันในอาบัตสังฆาในอาบัตทุกบด อ, อาบัตเล็กน้อยแต่ทางจำเลยเป็น ทางโจดได้จําเลยมีทางและเท่าเกันถ้าจะตัดสินให้ทางใดทางหนึ่งชนะอธิปโภตจะทวีื่องเห็นอันก็ให้ไกล่เกียกันซักจําเลยก็มีเท่ากันโจดก็มีเท่ากันให้ไกล่เกียกันซักที่ที่เรียกว่าความให้ปฏิยีประนองมาทั้งสองฝ่ายไม่ต้องชําระความเดินเรียกทินนวัาถารกรรมยังไง นี่ไหมายความอาบัตเล็กน้อยถ้าอาบัตมากปาราชิกก็ต้องว่าปาราชิกสังฆาธิเสดก็ต้องว่าปาราธิสิกาสังฆาธิเสดอยากมาหันตัดโทษหรือมัธยมโทษก็ตัดสินตามโทษสาุโทษจะไปไกลเกลียหมดก็ไม่ถูกนี่หมายความว่าอาบัตเล็กน้อยให้ไกลเกลียกันซัเดี๋ยวอาติกรจะตถวีขึ้นพระโจรก็เท่ากันจำเลยก็เท่ากันนี่พระบรมาาสารีรบรมมาแล้ว เร่องนะครับอจิคอนมีอย่างพิสดารในวิในของพระพุทธศาสนาเรียกว่าพระมีนัยพิรุกท่านเอามาเป็นวิชาของพระมีนายของนักธรรมเอกตอนนี้ในกันที่ยี่สิบแปดกันที่ยี่สิบเก้ากันที่สามสิบกันที่สามสิบเอ็ดในพระมีนายมุกเกลี่สามของนักธรรมเอกผู้เรียนกฎหมายต้องไปเอามาดู เดี๋ยวจะได้กำลังใจมากโจทย์ที่มีมูลคือโจทย์ยังไงด้วยได้เห็นเองด้วยได้ยินเองด้วย ม, มีผู้บอกและเชื่อว่าตามจริงจริงด้วยสงสัยและรังเกียรจข้อวัดปฏิบัติไม่ดีเรียกปรโจุนี้นอกจากนี้ที่เรเรียกว่าโจทย์มูม ล, จ, จ, มมลจงถามวันเดือนปีเวลาที่ทำํำผิดจงถามฐานะและทิศที่ทํา ต้องถามถึงผู้ชื่อบอกเรืและเหตุชื่อบอกให้ประกอบกับการในสถานที่บอกมัดถ้าจำเลยเป็นผู้ประมาจจงทําให้ล่าเรื่องสักถเดี๋ยวจะให้การไม่ถูกถ้าจำเลยเป็นผู้รอดขนะก็จงขูขง่พระวินัยนีอยู่เหมือนกันเพราะท่านยังไม่ได้ตรวจพระวไนัยแบเห็นจากกฎหมายถิ่นนอกหรือคงจะดูแลความทราบพระวนัยของพระ ที่นี่เยพุยศิการาพุทธศาสตร์ะเอาตามคำของคนมากเป็นประมาณมีขอบเขตเนอไม่เหมือนเยพุยศิกาเอาตามความของคนมากเป็นประมาณเหมือนพวกชาวโลกเราเธอจะเรียนจบพระใจพิดุ ก, ก็ตามความประพฤติของเธอไม่มีไม่ให้มาออกเสียง แต่พวกเราเธอไม่มาออกให้ค่าค่าเอาตังค์ให้ใช่ไหมถูกไหมนี่พอกชาวโลกเราเป็นอย่างนั้นมันไกลเหลือเกินกับคําสอนพระพุทธศาสนาใช่ไหมชาวโลกเป็นอย่างนั้นในที่พ้อแม่สงฆ์ในที่พ่อแม่พระโคดในที่พ่อแมวัตถุในที่พ่อแม่ธรรมเรียบร้อะไรมนี่นะครับอธิกรณ์แบบหนึ่งแต่อธิกรชนิดไหนควรระงับอะไร ด้วยสมร tha อะไรมันก็ขึ้นอยู่กับผูดแตะถามอยู่อธิการควระงับแบบหนึ่งไประงับแบบหนึ่งซะมันก็ไม่ถูกจัฐสปาพิเศษกากำคำเพิ่มโทษแก่พิสูจผู้ประพฤติลามกให้การกลับไปกลับมาปฏิญญาแล้วปฏิเสธปฏิเสธและปฏิญญาพูดถลากถลายข้อเขาเกินที่ผูกถูกซักถามพูดมุสาพูดงงงาแล้วก็เพิ่มโทษจ้ะพอบรมศาสตร์ถูกไหมทางกฎหมายี่ยถูกถูกเกินไปถูกไหมถูกไหม นั่นมีผิดไมหมทางกฎหมายพู<ป>้เนจำเลยต้องให้การจำเป็นจริงไม่คุณเคืองผู้จูย์อย่าหวังแพรร้หวังชนะจงหวังความสงบในอนาคตหวังดีในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ข้างข้างหน้าอย่าไปเห็นเอาแก่เอาแพ้เอาชนะจะเห็นแก่อามทธิต้องเห็นจะทาถือ บอกกันว่าพระพหลมัสการาาที่ไม่บอกว่านีจงยากล่าวที่คำจำของจำเลยเที่ไม่กค่าวจงทาจงสืบถามพิเศษของจำเลยและโจทย์เพื่อประกอบกับคดีถูกไหมล่ะ <c oughs> ถูก ฮะ ว, ว่าไงก่อนจำแม่แล้วก็เรียนนักธรรมเอกตั้งแต่นานแล้วสองพันสี่รอยแปดสิบแปดสองพันสี่ร้อยแปดสิบปก่อนทุลงก่อนชดลง ก็คือลูกปู่พูดลอกปู่แบบตามธรรมชาติไม่ได้พูดอัตมาภาพพูดลูงปู่แบบธรรมดาเถือวเป็นลูกๆห ล, ล, ลานๆไม่ได้ใช่ว่าคําอัตมาภาพแค่คําว่าลูงปู่ลงู ง, ลงปู่พูดใช่ไหมลูกปู่อาร์สองพันสองพันสี่แล้วเจ็ดสิบเจ็ดสิบ เจ็สิบสองเจ็ดสิบสามเจ็สิบสี่ลูกปูบวชขราวหน่มน 4, ้ำสีพรนษาราศิขาแล้กก็มาแต่นนงงานอยู่สิบปีนีนะ่ครับแม่บ้านบรราภาพลูกปูก็มาบวชอีกแต่สอง6ันสี่รแกขาวนี่ไม่เป็นขี้ข้าผู้หญิงอยู่สิบปี เอกจากที่ข้าผู้หญิงมาได้ก็มาบวชเองเขาใช้หันขวาหันผู้หญิงพูดเฉยเหรอกไอ้แท้เขาก็นกลัวเราจะตายพูดเฉยๆหรอกทำใดใครก่อก็คิดใจเป็นผู้ข่อขึ้นจงทำกิจให้บันเทิงในการละชั่วทำดีเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหา จงเป็นผู้ใจถึงในทางคำดีถืออย่าเป็นผู้ใจถึงในทางคำชั่วจงเป็นผู้มีอิสระทางคำดีถืออย่าเป็นผู้มีอิสระทางคำชั่วพระบรมศาสดาสอนถ้าพธรรมไม่มีอยู่ก่อนเราแตะท้าคตก็ไม่สามารถจะรู้ทำได้ทำมีอยู่ก่อนจึงสามารถรู้ทำได้เหตุนั้นแตะท้าพตจิงเคารับรำไม่สำคัญว่าอยู่เนื้อธรรม ความจริงไม่หนีจากความจริงความจริงอย่างหนึ่งเราจะแปลวันบรรยัติเนี่ยบรรยัต ด, ด่างหนึ่งมันก็มาไปกับเราเเช่นบริเวเพชรเราจะแปลบัญญัตว่ามันเป็นของหวานมันก็มาไปกับเราใช่ไหม <laughs> เช่นอวายยมุกเราจะเป็นไปบัญญัติว่าเป็นของเจริญมันก็มาไปกับเราใช่ไหมถ้าหากว่า ถ้าหากว่าจะให้พระพุทธศาสนาเทศง่ายชาวโลกก็ต้องกำจัดอบายะมุกให้มากที่มันจะเจริญเห็นทางหนึ่งทุกวันเนี่ยถ้าอย่างนั้นไม่เจริญเห็นทางหนึ่งจะเจริญ พระไม่ดีตอนไหนกว่าสอนตนเข้าคารวาสไม่ดีตอนไหนกว่าสอนตนเข้าก็หมดเรื่องครับ